5. จิตตาคารวัตหมวดว่าด้วยหอจิตกรรมสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวงเรื่องพิกษณีฉับ พ, พคี977สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีที่พระราชะอุทยานของพระเจ้าประสิทีิโกศลมีการแสดงภาพจิตกรรม หอจิตรกรรมครั้งนั้นคนทั้งหลายพากันไปดูหอจิตรกรรมแม้พวกภิกษุณีชาวพัคีก็ไปดูหอจิตรกรรมคนทั้งหลายตําหนิประนามโผลนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงไปดูหอจิตรกรรมเหมือนหญิงเคราะห์หัดผู้บริโภคการเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโผลนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโผลนธนาว่า